เรามีหมู่มีเพื่อนเยอะมีหมู่มีเพื่อนหลายคนทําให้ความรู้สึกกระตือรือร้นในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามีหมู่เพื่อนมากมันก็กระตือรือร้นทําอยากจะทํารู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนานไปด้วยการทําทความระสงบการทําทความเปลี่ยนนี่ก็ ก็ดเมือนจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันถ้ามีหมูเพื่อนมีผู้ที่ทำความสบบอยู่ด้วยกันมากๆกะทำให้เรารู้สึกคึกคักอยากจะทำร่วมไปด้วยอันนี้แหละที่พระพุทธองค์จัดไว้แบบว่าสัปายสีเป็นเครื่องประกอบ เป็นสิ่งประกอบสำหรับผู้ที่จะหะัภาวนาใหม่สัปปายะสี่นั่นก็คือข้อหนึ่งนั่นก็คือบอกเนสนาสนะสัปปายะได้สถานที่ที่มันสงบก็เมื่อเราจะทำความสงบเราไปสู่ที่มันภูมิประเทศที่มันสงบร่มเย็น ไม่เดือดร้อนไม่ร้อนรุ่มสงบไม่มีเสียงหรือกระทึกกรึกโ้ ง, งโมไม่เป็นที่สัญจรไปมาของผู้ของคนไม่วุ่นวายด้วยกิจกรรมกิจการต่างๆเรื่องเลวเสนาสนะกับปายะอาหารกับปายะคือหมายความว่าต้องไปอยู่ในฐานที่ไิ้เป็นหาพาะจารหาอาหาร ไม่ลาบากจนเกินไปก็คือว่าในบางแห่งบางที่นั่นน่ะถึงแม้จะเป็นที่สงบก็จริงจริงอยู่แต่ถ้าว่าหาอาหารและประทานยากเลือเกินต้องใช้เวลามากใช้กำลังกายกาลังใจกำลังจิตใจในการที่ไปนขนายหาอาหารมา หาอาหารมาให้ร่างกายให้เวลามากให้กําลังกายมากอย่างเช่นแบบแ ต, ต้องเดินทางไปก ไ, ไกลเดินทางไปไกลหรือขึ้นขามเขาลงห้วยไปจนสี่ลูกห้าลูกแล้วถึงจะไปถึงหมู่บ้านเ้าจะไปถึงที่จะไปหาอาหารได้อย่างนี้ก็ลําบากเกินไปไม่สามารถจะทรงร่างกายอยู่ได้ อันนี้ก็ไม่เหมาะไม่ควรหรือ ไ, ไปในที่ที่มันแย่แคน่จนเกินไปผู้คนอยู่ก็อยู่จริงอยู่แต่ว่าไม่มีโอกาสจะแบ่งไม่สามารถที่จะแบ่งปันอาหารให้เราได้เรากัดทุนอาหารไปก็ได้ชัวระยะเวลาหนึ่งอย่างนี้าอาหารยากลำบากถ้าบอกก็ไม่ดีอย่างนั้นต้องไปอยู่ในที่ดีอาหารที่เรยจะหาได้ในไม่ลำบากนะัก อันนันอย่างหนึ่งอากาศสัปะยะให้อยู่ในสถานที่ที่ภุมิอากาศมันถูกกับร่างกายของเราบางคนเป็นโรคแพ้แพ้อากาศก็เลยก็แพ้ความหนาวแพ้ความร้อนจะต้องเลือกดูหาดูบางคนก็แพ้พืชแพ้ผลอะไรบางอย่างถ้าไปอยู่ตรงนั้นละคันขยเออทั่วไปหมดอย่างนี้ ภาวนาแบบหมือนพันภาวนาไปด้วยความลําบากเป็นไปไม่ได้บางคนก็ไปอยู่ในที่ที่มันทนแพ้อากาศหนาวถ้าไปอยู่ในที่หนาวมันก็ดีหลอกอาหารก็หาได้ง่ายสถานที่ก็เงียบสงบแต่ว่าตนไปอยู่แล้วมีแต่ไข้มีแต่ป่วยร่างกายก็อ่อนออแอก็แฝ้ลงไปอย่างนี้ต้องอยู่ไม่ได้ภาวนาไม่ดี ต้องหาอยู่ในที่ที่มันอากาศสัปปายะคืออากาศบอดีพอดีจะตนอยู่ได้สบายๆไม่อุดตัดไม่เดือดร้อนไม่เจ็บป่วยไข้บุคคลสัปปายะข้อที่สี่บุคคลสัปปายะก็นวกให้ไปหาอยู่ในที่ที่บุคคลเขามุ่งมั่นไปในทางนั้นนะ่ะในทางที่เราจะทนะํานั่นแหะอย่างเช่นเราจะทําความสงบ ก, ก็พยายามไปอยู่ในหมู่ที่บุคคลที่เขาทาความสงบ ก, ก, กัน ในกลุ่มคนที่เขาทำความตัวกันอย่างเช่นไปที่วัดก็อีกแหละไปที่วัดก็ควรจะไปเลือกอาวัดที่มันไม่มีกิจกรรมกิจกา ร, ร ม, มากไม่มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงด้วยผู้เดือคนมากไม่ยุ่งเหยิงด้วยกิจกรรมกิจการอะไรต่างๆมากมายนั่นแหละผู้คนที่ไปอยู่อย่างนั้นวัดที่มีลักษณะอย่างนั้นก็ มีบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติทำทำความสงบเมื่อเราจะหาจะทำความสงบเราก็ต้องไปหาที่มันมีบุคคลอย่างนั้นอันนี้เนื่องจากว่าคนเรานั้นเป็นประเภทที่ว่ามันมีภาษามันต้องพูดต้องคุยกันมันพัดมันทายกันถ้าไปอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ไม่มีความสงบมั่วแต่คุยเจาอ เมื่อแต่หาเรื่องหาราวอะไรต่างๆมาทํำมาพูดมาคุยยุกยุกยิ๊กยิ๊อยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอย่างนี้มันก็ไม่เป็นเครื่องดึงดูเราเองจะทําความสงบก็ไม่สามารถจะทําได้สะดวกเพราะว่าหมูอเพื่อนก็เป็นอย่างนั้นแล้วจะอย่ามาทำอย่างนี้อยู่มันก็อยู่ด้วยการลําบากความเอกะ ความคุกคลีไปด้วยงานด้วยการคุกคีไปด้วยการพูดการจานก็เป็นเหตุให้เราจะพยายามทำความสงบก็ทําทไม่ได้เสียงก็รบกวนกิจกรรมกิจการก็รบกวนมันรบกวนไปที่ทุกอย่างอย่างนี้เรียกว่ากลุ่มบุคคลที่ไม่ไม่เหมาะภาวนาไม่ได้ดนั้นต้องไปหากลุ่มผู้คนที่เขาสงบอย่างเช่นพวกเรามาที่วัดนี่นะ่ะวัดของเรา ปัติมักเซนี่ยได้ดำเนินการตามหลวงปู่ที่เคยท่านเคยพาดำเนินมาคืออยู่ด้วยกันด้วยความสงบและผู้ที่เข้ามาในที่นี้นะหลวงปู่ก็มีมติมีกฎมีระเบียบมีกฎกติกาให้อยู่กันโดยสงบไม่ให้พูดมากไม่ให้พูดคล้างไม่ให้เที่ยวไปพูดกุดนั้นลงกุดนี้ให้เที่ยวพูดเที่ยวคุยหาเรื่องหาราวไปพูดไปคุยกัน ท่านไม่ให้ทำอย่างนั้นท่านให้อยู่เป็นเอกเทศย่านพุทติของพระเนี่ยท่านให้อยู่บนระหลังองค์ระหลังหมายความว่าให้อยู่โดดเดียวไม่ใช่เหไสุสมสมกันพูดจะไปรวมกันพูดและอยู่ด้วยกันละมันมีเรื่องจะพูดจะคุยความที่เรียกไม่เกิด อ, อย่างนี้แหละอย่างในวัดของเราเนี่ยก็เป็นที่เหมาะสาหรับจะภาวนา จะทำความสงบสงบกายก็ได้สงบประจ้าก็ได้สงบจิตใจ ก, ก, ก็ทำได้ในวัดของเราเนี่ยเพราะว่าเป็นสถานที่ที่สงบร่มเย็นอาหารก็ขอหาได้ถึงแม้จะไม่หุ่มเฟือยอ า, ากาศก็พออยู่ตายอยู่สบายดีดีกว่าบางังในเมืองใหญ่ๆหีหห่ดี บุคคลสัพยะในผู้คนในนี้ก็มาก็อยู่ในระเบียบของหลวงปู่ก็เลยมีความสงบกันในนี้การเป็นอยู่ของหมู่คณะของระเบียบของหลวงปู่เป็นเครื่องกำกับทําให้เรามีหมู่คณะที่ดีแล้วอะไรทุกอย่างมันดีหมดแล้วมันก็เลยจิตใจเราสงบร่มเย็นลงเราก็เลยน้อมไปเพื่อความสงบการมานั่งอยู่ในหมู่คณะ ที่มีความสงบนี่แหละไม่เป็นเครื่องย้อมเป็นเครื่องชักจูงมันชักจูงอยู่ลึกๆทําให้เราจะพูดจะจาอะไรมันก็ต้องมันมาเกิดความเองใจเองใจหมู่คณะหมู่คณะก็อยู่สงกสํารวมแล้วเลยจะไปเอะอะโวยวายไปชอบพูดคุยยุกยุก ย, ย, ย, ย้มันก็เกิดความละอายนั่นแหเมื่อเกิด ความรู้สึกอย่างนั้นมันก็เป็นเหตุให้เราในได้ละมัดระวังตัวและก็ทรงตนอยู่ในความสงบนี่แหละสิ่งกลารเหล่านี้นะ่ะโดยเฉพาะก็คือบุคคลจับปลายะนะ่ะกับลายะอันนี้เนะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะพวกเราพวกเราจะมีความสงบอย่างนี้ก็เพราะกฎระเบียบของหลวงปู่ของสำแหน่ทงท่านกำหนดไว้ แต่ว่าในที่สุดนั้นมา ป, ประกอบกันแล้วกนะ็วเป็นเรื่องดีเรามานั่งอยู่ที่นี่หมู่เคลื่อนทำความสงบไปแล้วก็จิตใจก็ดื่มดำไปด้วยเราจิตใจเราเก็เติดตามไปในขณะที่มีหมู่มีเคลื่อนอย่างนี้จงรีบนะรีบทำกำหน ด, หนดจิตกำหนดใจของตนให้ลงสู่ความสงบให้พิว่าหมู่เคลื่อนที่นั่งอยู่เขาก็าทำความสงบของท่าน องนั่งก็ทำของท่านของนุ่งก็ทำของท่านคนที่นั่งอยู่ข้างเราวก็ทําความสงบของเขาไปเราถ้าไม่ทําความสงบเราจะอยู่โดดเดียวยังไงแล้วหลังพายเกลื่อนทีหลังเกลื่อนเราก็ต้องติดตามไปอย่างเดีกันที่ก็คือหมอายความว่าเราก็รีบกําหนดลงสู่ความสงบสงบในกายไม่หลุกหลีดอยู่นิ่ง สงบได้บาดจะไม่ต้องพูดไม่ต้องซุบไม่ต้องทิไง้ไม่ต้องแม้กระทั่งไปสะกิตเกาใครอ่ะไม่ต้องพูดด้วยภาษาอะไรทั้งนั้นจากการสงบใจหัดทำใจให้สงบลมเย็นเมื่อเราทำอย่างนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ทำให้บรรยากาศแห่งความสงบเกิดขึ้นก็ ส, ะสะรุปแล้วก็เราคือเป็นสมาชิก ของบรรดาผู้มีความสงบเป็นสมาชิกของบุคคลสัพายะมันดีอย่างนี้นะมันเป็นบุญถ้าผู้อื่นที่มาทีหลังเขามาเห็นเราเนี่แหละที่เคยหลุกหล็กเคยไม่อยู่สงบเนี่ยต่อมามาได้อยู่ในหมู่คณะที่สงบแล้วก็เลยตายเป็นคนสงบผู้ที่มาทีหลังก็เลยเห็นว่าเรานี่แหละก็เป็นบุคคลที่สงบเขาก็เลยมีเพื่อนดีมี่สิ่งแวดล้นอมที่ดีเพราเรา ด น, นั่งการที่เราทําความสงบนี่มันเกิดเป็นผลเป็นบุญกุศลทั้งสองอย่างแต่ตัวเราเองด้วยแต่หมนะู่คณะแต่สำแนักของพวกเราที่ยืนหยัดอยู่ด้วยความสงบรมเย็นใครมาถ้าเขาจะเป็นผู้มีบุญมาเพื่อความสงบเขาจะมาเห็นมาอยู่ในที่นี้แล้วจะเกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมบุญกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้น เราก็มีส่วนในบุญนั่นเหมือนกันขอให้พระผูนใจดีใจในขณะที่หมู่เพื่อนท่านทําความเป็นไปในขณะที่เราได้ดีแล้วได้ดีทุกอย่างในสีสะการเสนาสนะสัพยาก็ได้แล้วอากาศสปพยาก็ได้แล้วอาหารสปพยาก็ได้แล้วบุคคลสปพยากรใขณะ น, นี้เราก็มีควาสมสงบกันอมันดีแล้วเพราะฉะนั้นรีบกำหนดจิตกำหนดใจนะ อย่าส่งจิตส่งใจไปที่ไหนเลยมันกําลังจะดินแล้วได้ที่ดีหมดทุกอย่างแล้วต่อจากนั้นจงรีบเดินทางคล้ายๆกับเรามีอะไรต่างๆข้อมูลบริบูรณ์แล้วอย่าได้ไปแช่อยู่ด้วยเถออย่างนั้นจงรีบเดินทางเราได้เสบียงอาหารได้ความตั้งใจหมดทุกประการแล้วที่ออกเดินทางเสียเมื่อยรถเยิ่นเราไปที่ปู เราไปซ่อมอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี ด, ดีหมดแล้วเครื่องยนต์ซ่อมดียอดเยี่ยมปรับปรุงอะไรดีหมดอย่างรล้อมันเราก็สูบลมเติมล ม, เ ต, ม, ลมเติมอะไรดีทุกอย่างดีหมดอะไฟสว่างก็แบตเตอรี่ดีดีหมดทุกอย่างทุกประการเครื่องก็ดีไฟก็ดีลมก็มีแล้วน้ำมุกน้ำมันก็เติมแล้วเนี่ยเราซ่อมแล้วเนี่ย นีอย่างเดียวตอ น, นั้นเราจะเดินทางไปถึงตรงนูน้นถึงความพน้นทุเรานี่ออกเดินทางเหมือนรถที่พร้อมแล้วนะี่จะตาร์ทเครื่องรถออกเดินเข้าเพียเดินหน้าทันทีเลยอย่าไปลังไปรอก็แฉ่งตรงนั้นอะไรก็พร้อมอยู่แล้วน้ํามันก็มีอยู่แล้วเติมลมเติมอะไรก็เติมหมดแล้วเครื่องยนต์ก็ดีไฟก็ดีอะไรต่างๆดีหมดแนละ้วแสงสว่างก็มีร้อบยังไปจอดแอบแมงเลย รอท่าอะไรก็ไม่รู้แบบนั้นล่ะมันไม่ถึงไหนหรอกมีนะบุคคลประเทศนั้นก็มีเราอย่าเป็นบุคคลอย่างนั้นได้โอกาสรีบดำเนินเดินทางเรามีเวลาน้อยเวลาน้อยเรามีเวลาน้อยเหลือน้อยแล้วอายุจนป่านนี้แล้วมันจะเหลือแค่กี่วันเหลือแค่กี่เดือนเหลือกี่ปีไม่นานเท่าไหร่ เพรานั้นรีบทำเพในขณะนี้ดีที่สุดอะไรต่างๆพร้อมกำหนดจิตนะน้องปู่พูดขั้นที่สุดก็คือตั้งสติกําหนดจิตก็หมายความว่าความระลึกนะ่ะอย่าระลึกไปที่อื่นอย่าระลึกไปกรุงเทศอย่าระลึกไปบ้านอย่าระลึกไปรถตู้อย่าระลึกไปที่พักอย่าระลึกไปที่เพื่อนนั่งอยู่ใกล้ ยองระลึกเข้ามาเลยนี้่ขนาดนี้เรามีจิตไหมมีความนึกความคิดไหมระนึกเข้ามาในนี้มีความคิดไหมมีเนี่ยเราคิ ด, ค, ดคิดไปนู่นคิดไปนี่ไม่เอาเรานี่คิดอยู่เรื่องเดียวต่างสติกําหนดอยู่ในนี้แหละให้รู้อยู่ในนี้แหละว่าเรามีมีผู้คิดผู้นึกมีอยู่ก็ตรงอยู่ตรงนี้ตรงที่ผู้คิดผู้นึกเนี่แ จะเอาขึ้นมาจำกับอุปกรณ์ขึ้นมาจำกับก็เอาพุโทโธหรือลมหายใจก็ได้ลมหายใจนดีเพราะว่าเราจะรู้ไม่รู้มันก็มีอยู่ถ้าพุโทโธยังจะต้องรำลึกก่อนมันถึงจะเกิดพุดโทโธอันนเอาลมหายใจก็ได้ลมหายใจเข้ายิ่จะมีความรู้อยู่ในนี้นะตั้งสติคือความระลึกลึกอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่ารู้มันรูไ้ไหมหายใจเข้าหายใจออก ถารู้หายใจเข้าก็รู้จักหายใจออกก็รู้จักหายใจเข้าก็รู้จักหายใจออกก็รู้จักหายใจเข้าก็รู้จักหายใจออกก็รู้จักกําหนดเบาๆกาหนดรู้แค่งที่หลักเอาแค่นี้อย่าไปนึกว่าจะเอาธรรมะคอยิ่งคอใหญ่ใหญ่โตจะเอาลทธิปาฏิหารอะไรต่างๆอย่าไปเอาจะพึ่งเอาเลยนั้นยังไม่ต้องเอา เอาแค่ว่าให้เรารู้อยู่ตรงนี้รู้ลมหายใจเขา้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเขา้ารู้ลมหายใจออกรู้อยู่ตรงนี้แหละเอาแค่นี้ความดีต่างๆจะเกิดก็เกิดขึ้นเพรอันนี้แหละมันจะงอกงามขึ้นมาเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่จะเป็นฤทธิ์เป็นเดชจะมีความเข้าอกเข้าใจในับสังขารทั้งหลาย ไปจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเอาเจา้าคนนี้ฟังเทศของหลวงปู่นั่งภาวนาเนะี่ยทำพรตัวรักษาใจไว้อย่าให้มันนี้ไปไหนหายใจเข้าก็รู้จักหายใจออกออก็รู้จักอยู่อย่างนี้แหละก็ฟังหลวงปู่ไปทากลางเอาเสียงของหลวงปู่กล่อมว่าโอ้เรามันด้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายหรอมีหลวงปู่ท่านอยู่ด้วย วางใจสบายๆแล้วก็กาหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจเฉพาะกาหนดรู้อยู่ที่ลมหายใ จ, จ